เรื่องเล่าขย่าวขวัญผีบังตาพาวิญญาณหลอนเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกส่งต่อมาจากเพื่อนในเฟซบุ๊กคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าคุณบอสเป็นเรื่องราวที่น่าสะพรงกลัวกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคุณบอสเล่าให้เราฟังว่าครอบครัวของพี่ชายอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับมีการพัฒนาหมู่บ้านโดยการขุดคลองหน้าบ้านทำคันคลองให้เป็นถนนในหมู่บ้านตื่นเต้นมากเพราะยังไม่ค่อยมีถนนตัดผ่านมากนักเมื่อมีการพัฒนาหมู่บ้านโดยการขุดคลองทำถนนทำให้พื้นที่บ้านที่ติดคลองมีพื้นที่เป็นดินมากขึ้นและในระหว่างการขุดคลองนั้นชาวบ้านก็สามารถหาปลาเพื่อ น, นามาเป็นอาหารได้อีกด้วยตามระสาชาวบ้านในชนบทช่วงค่าได้มีการฉลองกันด้วยการดื่มเหล้าและร้องเพลงกัน หลังจากที่ครอบครัวของพี่ชายเขาดื่มเหล้าเสร็จพี่ชายก็ได้ใช้ให้พี่สะพายเข้าไปหยิบกับแกล้มในบ้านมาเพิ่มเมื่อพี่สะพายหยิบกับแกล้มมาเพิ่มพี่ชายก็ไม่ได้สนใจพี่สะพายอีกยังคงดื่มเหล้ากับเขาและเพื่อนๆด้วยความสนุกสนานแต่พอเวลาล่วงเลยไปสักประมาณสามทุ่ม ก, กว่าหลังจากเลิกดื่มเหล้ากันพี่ชายของเขาก็เรียกหาพี่สะพายเพื่อจะให้จัดเตรียมอาหารสำหรับพวกเขาแต่เรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววของพี่สะพายเลย พี่ชายของเขาเริ่มใจไม่ดีเพราะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาภรรยาของพี่ชายมีอาการไม่ค่อยดีไม่ค่อยพูดจาสื่อสารกับใครดูเงียบๆจนผิดปกติเขาขึ้นไปดูบนห้องนอนทันทีคิดว่าภรรยาคงจะไม่สบายจึงเรียกไม่ได้ยินแต่เมื่อขึ้นไปบนห้องนอนก็ไม่พบทําให้เขาเริ่มใจไม่ดีมากขึ้นเพราะปกติภรรยาไม่เคยออกไปไหนนอกบ้านในตอนกลางคืน เขายังเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อหาพี่สะพายไม่พบจึงระดมญาติพี่น้องมาช่วยกันหาโดยช่วยกันหาตลอดคลองที่ขุดใหม่เพราะคิดว่าพี่สะพายอาจจะเดินไปดูปลาในคลองที่ขุดซึ่งมีน้ําไม่มากและปลาอาจจะขึ้นลอยหัวตอนกลางคืนแต่ญาติพี่น้องหลายคนที่ช่วยกันหาช่วยกันหาหลายชั่วโมงแต่พยายามหายังไงก็หาไม่พบประกอบกับมีฝนตกลงมาปล่อยๆทําให้ทุกคนเริ่มท้อที่จะค้นหาตอนนั้น ตัวเขาเองก็เริ่มที่จะอ่อนแรงเนื่องจากพวกเขานั้นดื่มเหล้าเข้าไปในช่วงหัวค่ําและการค้นหาหลายชั่วโมงที่ต้องเดินทุกตารางนิ้วของคันครองและในครองที่ขุดนั้นจึงเรียกญาติญาตมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ <_ c oughs> เขาบอกว่ามีญาติคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าหรือว่าผีพาไปพอได้ยินประโยคนั้นทําให้เขารู้สึกขนลุกทั้งตัวหนาวเยือกขึ้นมาทันทีแต่เขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะริดเหล้าที่กิน และเม็ดฝนที่ตกปลายๆจึงทำให้เกิดอาการแบบนั้นแต่ก็มีญาติอีกคนเอ่ยขึ้นมาอีกว่าผีพาไปแน่ๆผีบังตาไว้ตรงหน้าบ้านเคยเป็นบ่อที่มีเด็กตกน้ำตายตอนขุดคลองและเอาดินมาถมบ่อบอกเขาหรือเปล่าเขาไม่มีที่อยู่หรือเปล่าเพราะปกติยังมีคนเห็นเขามาวิ่งเล่นแถวๆปากบ่อประจานะทุกคนเริ่มมองหน้ากันตอนนั้นเวลาก็ล่วงเลยก็ไปเที่ยงคืนกว่าๆเกือบจะตีนหนึ่งแล้ว ทำอย่างไรก็ยังหาพี่สะพ้ยไม่เจอเขายังเล่าต่ออีกว่ามีญาติคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าให้หนูดำช่วยไหมหนูดำเก่งนะตอนไปหาร่างทรงหนูดำเขาบอกว่าถ้าพี่มีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยจุดทูบสิบหดอกกลางแจ้งแล้วเรียกหนูบอกเล่าหนูหนูจะเรียกมาช่วยพี่ทันทีทุกคนมองหน้ากันแต่จะมีทางไหนที่เป็นทางออกอื่นได้ดีกว่าทางนี้พี่ชายเลยเข้าไปในบ้านหยิบทูบออกมา เราให้เนานับจำนวน16ดอกมองหน้ากันแล้วถามว่าแล้วใครจะเป็นคนบอกเล่าละ่ะไม่มีใครรู้จักหนูดำเลยสักคนญาติคนที่พูดถึงหนูดำจึงอาสามาบอกเล่าเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้จักหนูดำเขาหยิบทู่ไปจุดจนติดทุกดอกนั่งสวดมนต์โดยตั้งนัโมสามจบเสร็จแล้วก็พูดบอกเล่าหนูดำว่าหนูดำผู้เก่งกล้ามาช่วยพี่หน่อยน้องสะ้ายของพี่เขาหายไปจากบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ มาช่วยกันหาหน่อยนะถ้าหนูดําช่วยพี่หาน้องสไายเจอพี่จะถวายโคกขวดใหญ่หนึ่งลังเลยให้หนูดํากินคนเดียวให้อร่อยไปเลยจากนั้นญาติคนนั้นก็ปกักทูบลงบนพื้นดินกลางแจ้งเขาบอกว่าตอนที่ญาติของเขาได้ปกักทูบลงบนดินกลางแจ้งทําให้เขารู้สึกขนลุกเกรียวทั้งตัวตั้งแต่หัวจรวดเท้าอากาศที่ว่าเย็นจากเม็ดฝนแล้วยังรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแบบไม่ปกติอีกด้วย แต่พอญาติของเขาปักทูบลงบนพื้นได้ไม่นาน <_ d ata> เขาบอกว่าไม่ถึง5นาที <_ d ata> ก็มีญาติคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้มาดูซิตัวเปียกหมดเลยแถมเย็นซีดด้วยมาช่วยกันเร็วๆทุกคนเรียกวิ่งกรูเข้าไปหาร่างที่เหมือนจะไม่มีสติและวิญญาณของพี่สะพายพี่สะพายนอนอยู่ตรงจุดที่คนในหมู่บ้านเคยเห็นผีเด็กที่ตกบ่อน้ําตายขึ้นมาวิ่งเล่นตรงปากบ่อ และถูกดินถมทับหลังจากมีการขุดคลองหน้าบ้านและทุกคนเริ่มมองหน้ากันแบบที่คิดว่ารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่สะพายแต่ทุกคนไม่มีเวลาที่จะคุยรายละเอียดกันเพราะต้องดูแลพี่สะพายที่ร่างไร้สติเสียก่อนเขาบอกว่าพอจับตัวพี่สะพายเขารู้สึกตกใจมากเพราะตัวเย็นเหมือนคนตายแถมไม่มีลมหายใจเขาได้บอกพี่ชายใหเอารถออกแล้วรีบนําพี่สะายไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพอถึงโรงพยาบาล พยาบาลก็เข้ามาหาแล้วถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นพี่สะพายก็อยู่ในอาการไร้สติเขาจึงนึกในใจว่าถ้าหนูดํามีจริงก็มาช่วยพี่เขาต่อให้ได้สิเขาบอกว่าพอสิ้นคําที่เขานึกในใจพี่สะพายของเขาลืมตาขึ้นทันทีแบบไม่มีใครคาดคิดทําให้ทุกคนตกใจและพงหงะออกจากร่างพี่สะายทันทีแล้วเสียงของพี่สะพายก็เปลี่ยนไปแต่เสียงที่เล็ดลอดออกมาจากปากของพี่สะายนั้นเป็นเสียงของเด็กเล็กๆพูดขึ้นว่า พี่เขาไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วไม่ต้องมาเรียกทุกคนตกใจมองหน้ากันไปมาแบบไม่เข้าใจทำไมพี่สะพยจึงพูดแบบนี้แล้วทำไมเสียงจึงเปลี่ยนเป็นเสียงของเด็กผู้ชายเสียงเล็กๆแต่เขามีสติมากกว่าใครเพราะเป็นคนรุ่นใหม่และยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้จึงมีอาการทั้งกล拉กรัวกลัวปะปบบนกันแต่ด้วยความที่คิดว่านี่เป็นโรงพยาบาลไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวไฟก็สว่างแถมมีคนอยู่เยอะแยะ เขาจึงลองถามออกไปแบบกล้าๆกรวัวว่าแล้วนี he won, he ่ใครอ่ะไม่ใช anyway, ่พี่เหรอถ้าไม่ใช่แล้วใครพูดอยู่บอกมาเลยจะได้รู้ตอนนั้นเขามีอาการตัวชาเล็กน้อยเขาบอกว่าเหมือนตัวแข็งขยับไม่ได้แล้วพี่สไปยก็หันหน้ามาหาเขามองหน้าเขาแล้วตอบแบบรําคาญว่าก็หนูไงหนูดําก็เมื่อกี้มีพี่คนนึงบอกว่าให้หนูมาช่วยหาพี่เขาหน่อยหนูก็มาช่วยแล้วไงพาพี่เขาขึ้นมาจากบ่อเขานอนอยู่ในนั้น แต่มีคนมาพาพี่เขาลงไปตอนนี้เขาก็พาพี่ไปแล้วพี่เขากลับมาไม่ได้แล้วไม่ต้องเรียกเขาแล้วเขากลับมาไม่ได้แล้วพอทุกคนได้ยินพี่สไปรพูดแบบนั้นก็ใจเสียแล้วจะทํำยังไงเขาก็เล่าต่ออีกว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากพิสูจน์ในสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อและมองไม่เห็นเขาจึงพูดกับร่างพี่สไปรที่บอกว่าไม่ใช่พี่สไปยว่าถ้าอย่างนั้นหนูดําก็ไปพาพี่เขามาสิพากลับมาให้ได้ ถ้าหนูดาพามาได้นะพี่จะให้โคกขวดใหญ่ลังนึงเลยนะอยากกินไหมมีเสียงตอบออกมาจากป่าพี่สุพายแบบรังคาญว่าไม่เอาหนูอยากกลับบ้านหนูจะกลับบ้านหนูหนูอยากกินกล้วยแขกให้หนูกลับบ้านได้แล้วหนูจะหาแม่นูจะกินกล้วยแขกเขาบอกว่าแต่เขาก็ยังไม่ลกความพยายามในเมื่อจะต้องคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นกับความเชื่อของคนชนบทก็ต้องลองดูเขาเล่าต่อว่า เขาพยายามที่จะพูดคุยกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในร่างพี่สะายช่วยหน่อยนะหนูดํำคนเก่งพาพี่สาวมาให้หน่อยนะหนูดาน่าเก่งอยู่แล้วยังหาพี่เขาจนเจอแค่พากลับมาทําได้อยู่แล้วเขาบอกว่าพยายามพูดยกยอเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเด็กถ้าสิ่งอะไรไม่รู้ที่อยู่ในร่างพี่สะายของเขาเป็นเด็กจริงๆก็ต้องชอบคําพูดที่ดีๆหลังจากเขาพูดจบพี่สะพายก็เงียบหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็ลืมตาขึ้นมา ทำหน้าตาเหมือนเพิ่งตื่นจากคนนอนหลับและพี่สะพายก็พูดออกมาว่าที่ไหนอะทำไมคนเยอะจังมาทำอะไรกันมีใครเป็นอะไรไหมทุกคนมองหน้ากันแบบสุดจะบรรยายพี่ชายเรียกพี่สะพายเขย่าตัวแล้วถามว่าเป็นอะไรหายไปไหนมาบอกมาหน่อยซิพี่สะพายมองหน้าพี่ชายแบบงงๆแล้วก็ถามพี่ชายกลับว่าหายไปไหนอะก็ไม่ได้เปไหนพอเต ร, รียมกลับแกล้มให้เธอเสร็จฉันก็เข้าไปดื่มน้าในตู้เย็น พี่สะายทำท่าครุ่นคิดครู่นหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าแต่หลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยฉันเป็นอะไรเหรอทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรส่วนพี่ชายเดินไปบอกพยาบาลว่าพี่สภายตื่นแล้วพอพยาบาลตรวจร่างกายเรียบร้อยก็ให้กลับมาบ้านได้เลยเขาเล่าว่าหลังจากที่เขากลับบ้านไปก็เล่าให้พี่สภัายฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สะายบอกว่าไม่รู้จักหนูดาอะไรที่ไหนเป็นใครเขาบอกว่า ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่พบเจอแต่ก็ไม่เชื่อไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เกิดกับครอบครัวของเขาเองหลังจากที่พี่สไปซ์หายเป็นปกติจากอาการอ่อนเพลีย<ๆ>เขาจึงฝากเงินไว้เพื่อให้ญาติคนที่เป็นคนเชิญหนูดำมาช่วยได้นำโคกขวดใหญ่ไปถวายพร้อมกับกล้วยแขกที่หนูดำบอกว่าอยากกินให้แก่ร่างทรงของหนูดำสองลังใหญ่ตามที่ได้สัญญาไว้ว่าจะถวายหลังจากที่หนูดาพาร่างที่หายไปกลับมา และช่วยพาวิญญาณที่หายไปกลับมาคุณลัะคิดว่าในโลกนี้มีสิ่งลี้ลับพวกนี้จริงหรือเปล่าหากไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาดถ้าไม่อยากเจอกับตัวเองหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ